มีความสุขกับตัวเองแบบไม่ต้องรอเหตุปัจจัยภายนอกมาทำให้เป็นสุขแล้วจะรู้จักความรักจริงมนุษย์ทุกคนต้องการความรักและอยากอยู่ในโลกของความรักจะน่าเสียดายที่ความรักไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์เพราะมนุษย์มีแนวโน้มจะเกลียดง่ายกว่ารักยกตัวอย่างเช่นพูดให้เกลียดกันนั้นง่ายแค่ใส่ความว่า เขาด่าเธอนะเท่านี้ความเกลียดก็เกิดง่ายหายากแล้วขณะที่พูดให้รักกันนั้นยากแม้มาเล่าว่าเขาชมเธอนะก็ไม่ได้ประกันว่าลืมแล้วจะนึกรักนึกเอ็นดูกันแล้วสายตาคนเราก็เห็นข้อบุกร้องของคนอื่นง่ายหมายความว่าถ้าขัดหูขัดตาก็พร้อมจะหมันไส้พร้อมจะรู้สึกไม่ถูกชะตาหรือพร้อมจะระแวงแคลงใจกัน คล้ายมีม่านดำกันกลางไว้ไม่ให้เห็นกันดีๆนอกจากนั้นคนอื่นจะทำเรื่องขัดอกขัดใจเราก็ง่ายแค่คาดหวังใครไว้แล้วเขาไม่เป็นไปตามที่คาดหวังอารมณ์ขัดเคืองหรือกระทั่งนึกชิงชังก็เกิดขึ้นได้แถมอารมณ์ขัดเคืองหนั ก, นกแค่วูบเดียวก็มีสิทธิ์ลบล้างอารมณ์ชื่นใจกันมายาวนานได้อีก เพื่อรู้จักความรักได้จริงก่อนตายเราจำเป็นต้องมีความสุขกับตัวเองแบบไม่ต้องรอเหตุปัจจัยภายนอกมาทำให้เป็นสุขเป็นเรื่องของความสุขทางใจเป็นสุขที่ต้องสังเกตว่าทำใจไว้อย่างไรแล้วเบาสบายได้อย่างนั้นเริ่มจากการสังเกตเปรียบเทียบว่าอย่างไหนลดระดับความเกลียดหรือเพิ่มระดับความรัก ระหว่างด่วนเชื่อคำยุโยงกับเผื่อใจฟังหูไว้หูระหว่างมองหาข้อดีกับเพ่งโทษให้เจอข้อเสียระหว่างคาดหวังน้อยๆกับคาดหวังมากๆใจที่เป็นสุขมีความปลอดโปร่งจากวิธีคิดวิธีมองดีๆเท่านั้นที่มีสิทธิคิดดีรู้สึกดีในแบบที่จะรักมากกว่าเกลียดนอกนั้นจะเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือ ธรรมชาติของจิตเหมือนน้ำโน้มเอียงที่จะไหลลงต่ำไม่อาจทนขึ้นสูงได้เองโดยไม่ต้องออกแรง